226จิตยิ่งใหญ่คือสติเป็นอธิปไตยปัญญาเป็นอุตระเพราะพลังงานจิตนั้นมีประสิทธิภาพสร้างสารเสียสละและมีความรอบรู้ในโลกวิทูโลกานุกรรมปาเพราะจิตเป็นโลกุตระจิตที่สูงส่งเป็นประโยชน์ต่อตนต่อโลก ด้วยการทำใจในใจมณสิการของตนถึงความเกิดสัมภวะจากการปฏิบัติที่มีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดสมุทยัยและสามารถทำให้อารมณ์108ฟงวงเล็บเวทนาประชุมลงเป็นหนึ่งได้จริงเอกะสมสารนาด้วยการปฏิบัติที่สามารถเรียนรู้จากธรรมสองทเวธรร ม, มา แล้วฝึกสติปฐานสี่จนสามารถทากายเวทนาจิตทำให้เป็นเอกหรือเป็นธรรมะหนึ่งได้สำเร็จจริงจนกระทั่งสติเป็นอธิปไตยและปัญญาเป็นอุตระพระไตรปิฎกเล่ม24 58, บข้อหบรรลุวิมุตเป็นแก่นสารมีอำนาจเหนือตนเหนือโลกเพราะมีพลงังจิตเป็นอำนาจในอัตตาอัตตาธิปไตย ในโลกโลกาทิปย์ใจจึงมีอำนาจและอยู่เหนืออัตตากับโลกจึงเป็นผู้สามารถอยู่ในโลกในสังคมได้อย่างองอาจแกล่กล้าไม่มีเวทนาในเวทนาคือไม่มีอารมณ์ในขณะที่มีอารมณ์เพราะว่าอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาพระไตรปิฎกเล่ม1 0ข้อหก ชาน h i ้คือผู้บรรลุธรรมที่ได้เรียนรู้จากกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างสัมมาทิฐิทุกการละแห่งชีวิตเราก็สามารถปฏิบัติทมได้ทุกกรรมกิริยาที่ทางานอาชีพสัมมาอาชีวะได้ทุกการงานที่ทำอยู่สัมมากรรมตะ ได้ทุกคําพูดที่พูดอยู่สัมมาวาจาได้ทุกขณะที่มีความนึกคิดอยู่สัมมาสังกัปปะโดยปฏิบัติมรรคเจ็ดองลืมตาปฏิบัติสร้างสัมมาสมาธิของพระอริยะอริโยสัมมาสมาธิให้เกิดใส่จิตตนอยู่ทุกอิกริยาบถของชีวิตมีสัมมาธิฏฐิสิบเป็นประธาน ในการปฏิบัติตนอยู่ตลอดพระไตรปิฎกเล่ม14ตั้งแต่ข้อ252ถึงข้อ281อจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริจรจรจงในความเป็นโลกกับความเป็นอัตตาและสามารถมีสติเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตระมีวิมุตเป็นแก่นสารจิตก็ยังลงโอคาธา สู่ความเป็นอมตะได้จริงมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติพระหูชนะหีตายะทำความสุขแก่มวลมนุษยชาติพระหูชนะสุขายะอนุเคราะห์โลกหรือรับใช้โลกโลกานุกัมปายะยนกว่าจะทำปรินิพานดับสิ้นรอบไม่เหลือกายไม่เหลือจิตอีกเป็นปริโยสารบทสุดท้าย